ที่ทีแล้วได้เจอผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบเขาเล่าว่านะเมื่อไม่นานมานี้นะกำลังทำงานอยู่ก็มีตำรวจโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าภรรยาเขาป่วยหนักแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU อาการหนักมากเขที่จรงเขาก็ตกใจนะออจะเรียกว่าช็อกไปเลยก็ได้เขาบอกว่าเป็นลมไปเลยเออเออพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็อย่างแรกที่นึกถึงคือว่าต้องไป เ, ออเยี่ยมภรรยาแต่ว่าไม่มีเรือแรงขับรถ ต้องให้เพื่อนขับขับไปก็นึกขึ้นได้ไว้ไม่มีรายละเอียดเลยนะว่าภรรยาเป็นอะไรอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลเนี่ยชั้นอะไรก็เลยโทรกลับไปที่ตำรวจถามไปถามมาปราก็ว่าตำรวจเนี่ยโทรผิดนะโทรผิด ภรรยาเขาไม่ได้เป็นอะไรสบายดีวันนั้นทั้งวันนี้เขาดีใจมากเลยนะมีความสุขมากเลยจริงๆวันก่อนนั้นกับวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะวันก่อนนั้นเขาก็ยังเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยู่เลยวันแต่พอถึงว่าแต่วันนั้นเนี่ยนะเขากับมีความสุขมากทั้งที่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะ ไม่ได้ถูกหวยไม่ได้รางวัลที่1 น, นะแต่ว่าเขามีความสุขสุขพ่อเลยสุขที่รู้ว่าภรรยายังยังไม่ตายภรรยายังปกติดีก็เมื่อวานนั้นก็ยังปกติดีเหมือนกันแต่ทําไมไม่มีความสุขทําไมไม่ดีใจนะความแตกต่างอย่างที่ว่าไอ้วันนั้นเนี่ยนะ ในความคิดว่าภรรยากำลังจะตายเนี่ยมันมันชัดเจนมากพอเพื่อภรรยากำลังจะตายแล้วก็มาพบ ว, ว่าภรรยายังปกติดีอาการสทสองครบเนี่ยก็มีความสุขคนเราบางครั้งเนี่ยนะไม่ได้มีความสุขเพราะว่าได้อะไรมานะแต่มีความสุขเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองรัก มันยังไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่กับเราที่จริงถ้าคนเราเนี่ยนะถ้าได้นึกเส้นหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรามีคนรักที่เราที่อยู่กับเราวันหนึ่งก็ต้องล้มหายตายจากไปเพียงแค่นึกถึงวันที่เขาตายจากไปเนี่ยนะมันก็ทําให้เราเนี่ย รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีนะที่พบว่าเขายัางไม่ตายนะวันนี้เขายังอยู่กับเราของที่เรามีหรือว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยจริงๆถ้าเราตระหนักสักหน่อยว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะไม่อยู่กับเราของที่มีมันก็จะต้องหลุดหายสูญหายไปเนี่ย เพียงแค่คิดแค่นี้มันก็ทำให้เรารู้สึกแล้วว่าโอเราโชคดีนะที่คนรักก็ดีของรักก็ดียังอยู่กับเรายังไม่ได้ไปไหนไม่ได้สูญหายไปไหนจริงๆทุกวันนี้ขนาดนี้เราก็มีของดีๆอยู่กับตัวนะไม่ใช่แค่คนรักที่ที่อยู่กับเราเช่นพ่อแม่ลูกหลานอาของดีๆที่มีอยู่กับเราแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เพราะว่า มันอยู่กับเราจนชินพออยู่ไปนานๆก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่อย่างเช่นตาเนี่ยนะเกิดมาก็มีตามองเห็นแต่เราลองนึกว่าสักวันนึงนะเราตาบอดมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีมือมีไม้เดินเหินไปได้ปกติ และถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดไม่มีแขนไม่มีขาพิการอามาพึกอ์อมาพาดเราจะรู้สึกเลยนะว่าไอการที่เรายังมีตามองเห็นยังมีมือมีเท้าเนี่ยไปไหนมาไหนได้เนี่ยมันเป็นเป็นโชคแล้วพอคิดได้ว่าพอคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องสูญเสียมันไป แล้วกลับมามองว่าไอ้ตอนนี้มันยังอยู่กับเรานะเพียงแค่นี้ก็ทําให้เรามีความสุขนะได้ง่ายแล้วอตาตมาเชื่อว่าเราจะลักตาเรามากขึ้นตานี่คือในตานะถ้าเกิดว่าเราลองสมมุติว่าเป็นคนตาบอดสักวันหนึ่งมันก็มีคนนะที่อ่าเขาเป็นดาราแล้วเขาก็ไป ร่วมรายการเรลิตี้เรลิตี้โชว์ก็คือรายการที่ให้คนเนี่ยไปมีประสบการณ์จริงในบางเรื่องเช่นอย่างในกรณีนเนี่ยก็สมมติเป็นคนตาบอดตื่นเช้าขึ้นมานะก็ตาบอดแล้วมันจะเริ่มรู้สึกเลยนะว่าโอ้มันยากนะจะเดินไปถูฟันล้างหน้าเดินไปอาบน้ำเดินไปทำอะไรต่ออะไรกินข้าว กิจวัาที่มันเคยทำได้ปกติมันกลายเป็นความยากยากลำบากมากอ่านเฟ e b o o k ก็ไม่ได้เล่นไลน์ก็ไม่ได้นะดูหนังก็ไม่ไดนะ้ไม่สามารถจะเห็นหน้าคนรักไม่สามารถจะเห็นของสวยของงามได้มันจะรู้สึกทรมายมากเลยนะแล้วยิ่งถ้าคิดว่าเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ย ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่ไอคนที่ตาบอดสักวันหนึ่งนะแก้งตาบอดสักวันหนึ่งเนี่ยถึงแม้ลําบากนะัแต่ก็ยังรู้ดีว่ามันเป็นของชั่วคราวนะวันรุ่งขึ้นก็ก็กลับมาเป็นคนปกติแต่ถ้าลองนึกต่อไปว่าเราต้องตาบอดไปตลอดชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรมันจะทรมานมากถึงตอนนั้นแหละที่จะรู้ว่าอ๋อไอการที่เราจะมีตามองเห็นเนี่ยมันเป็นโชคละ มีตามองเหน็นนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วหลายคนเขาก็รู้สึกอย่างนั้นนะวันดีคืนดีตาเกิดบอดขึ้นมามันมีปัญหาที่ประสาทตาแล้วก็ตาบอดนะอยู่สองสาวันพอตาดีกลับมาปกติเนี่โอ้เขามีความสุขมากเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมเมื่อสามสี่วันก่อนกับวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ ความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะวันนี้นดีใจที่ตามองเห็นและที่ดีใจเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบนะว่าเมื่อตาบอดเมื่อสูญเสียในตาไปมันเกิดอะไรขึ้นคนเราจะมีความสุขได้ง่ายนะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงว่าไอ้สิ่งที่เรามีสักวันหนึ่งมันก็สูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะหรือว่าอวัยวะอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เห็นคุณค่าเนี่ยพอมันหายไปเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของมันขึ้นมาทันทีแล้วถ้าได้กลับคืนมาเราก็จะดีใจนะมันมีเรื่องเล่านัสโสรดินเนี่ยนะนัสโสรดิ น, นก็เป็นเป็นคล้ายๆตัวละครนะในนิทานนะของ ตอนออกกลางวันนึงก็ไปรับจ้างมันทำงานเหนื่อยแต่ว่าได้ค่าตอบแทนแค่20บานะมมา20บาทนะสมมุติว่าบาทนะเขากลับบ้านนี่เขาก็หงุดหงิดมากหัวเสียเลยนะเหนื่อยทั้งวันได้มาแค่นี้เองไอ้เงิน20บาทนะเขาไม่เห็นค่าของมันเลยก็แทบจะคว่างทิ้งเลยนะโยนโยว้บนโต๊ะ ไม่คุ้มค่าเลยอุตส่าห์เหนื่อยก็เพอเอิญเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเขาก็กบ่นให้เงินกิ๊กก๊อกเนะี่ยยี่สิบบาทนี่ทำแทบตายได้มาแค่นี้เองไม่คุ้มเลยบ่นไปบ่นไปมีช่วงหนึ่งนะัทสโลดิงก็เข้าห้องน้ำเพื่อนก็กเลยถือโอกาสนะซ่อนเงินนั้นนะ้หเหรียญยี่สิบอะ มันเป็นเหรียญนะมันไม่ใช่แบงก์นัสรินออกมาจาห้องน้ําหาไม่เจอพอหาไม่เจอก็เสียดายตอนนี้เริ่มเกิดเสียดายแล้วห า, านะใหญ่นะเฮ้ยมันหายไปไหนนะหายไปไหนก็หายนั่นแหละก่อนนั้นนั้นยังบอกอยเยอะเงินไม่ค่อยมีค่าเงินมันกิ๊กก๊อกยิบจ้อยนะตอนนี้หาแล้วหาอยู่นานนะเป็นชั่วโมงหาไม่เจอพอนัสรุดินนัสรุดินเผลอนะเพื่อนก็เอาเงินหะเงิน 20บาทนะี่มาวางไว้ที่เดิมพอนักสู้ดินเห็นโอ้ยดีใจอเลยดีใจมากไอ้ก่อนหน้านี้ไม่ดีใจนะดูถูกนะว่าเป็นเงินเล็กน้อยนะแต่ตอนนี้ดีใจแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันหายไปแล้วพอมันหายไปก็เริ่มเกิดเห็นค่ามันขึ้นมาพอได้กลับคืนมาก็ดีใจเนี่ยคนเราสิ่งที่เรามีเนี่ยนะเมื่อไรก็ตามที่เรา มันอยู่กับเาไปนานๆเราจะไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยทกลับไปบ้านเจอพ่อแม่ทุกวันก็เลยเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่เกิดลมหายใจจ่าขึ้นมาโอนึกเสียดายนึกเสียดายนึกเสียดายวัน วันคืนนะที่เคยมีพ่อมีแม่มีอยู่พี่วิชาคนหนึ่งกนเล่านะว่าอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เล็กแม่ก็ตายอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กนะก็เรียกว่าสนิทสนมกันเลยนะพอโตขึ้นไปไหนก็ไปเที่ยวด้วยกันนะสมัยที่ยังเด็กแล้วก็พอโตเป็นวัยรุ่นนะเป็นนักศึกษาก็ยังไปเที่ยวด้วยกัน แต่พอเรียนจบทํางานนะมีงานมีการก็เริ่มเหินห่างกับพ่อแต่ก่อนนี่ปกตกิต้องกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันพอไปทํางานนะก็มีเพื่อนมีสมาคมมีเพื่อนฝูงมีแวดวงก็เลิก ง, งานแล้วก็สังสรรค์ต่อกลับมากินข้าวเย็นบ้างบางวันก็ไม่กินพ่อก็โทรศัพท์มาตามว่า เมื่อไรจะกลับบ้านลูกบอยกินไปก่อนพ่อก็ไม่ยอมกินรอลูกกลับมาลูกกลับมาถึงบ้านสามสี่ทุ่มพบว่าข้าวนี่พ่อยแม่แตะเลยนะก็ในแง่หนึ่งรู้สึกผิดแต่ด้านอีกแง่หนึ่งก็สึกว่าพ่อนี่นะทําไมทําให้มันเป็นเรื่องยากแบบนี้ทำให้ไม่กินข้าวนะบางที่ก็ว่าพ่อนะทำให้ไม่กินกนะ็ เ, เป็นอย่างนี้อยู่นานนะบางวันก็กําลังสนุกสนานกับเพื่อนนะ ในในห้างในร้านอาหารพ่อก็โทรมาเมื่อไหร่จะกลับมากินข้าวลาคาสมากตอนหลังเวลาได้โทรสั่งจากพ่อโดยเวพาะตอนเย็นๆนี้จะลาคาญมากสาวะทิศนี่พ่อก็ถามนะเมื่อไหร่จะพาเมื่อไหร่จะไปเที่ยวกันแกก็บอกไ ม, ม่มีเวลาบางทีนัดหมายกันแล้วนะว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดพอถึงเวลาก็เลื่อนนะพ่อก็ต่อว่า ลูกชายก็บางทีก็เถียงนะแล้ววันหนึ่งพ่อก็ป่วยแล้วป่วยไม่นานก็ตายพอตายเสร็จนี่แกเริ่มรู้สึกเลยนะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยมีโทรศัพท์จากพ่อทุกวันทุกวันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วโทรศัพท์ของพ่อ โทรศัพท์จากพ่อไม่มีเสียงจากพ่อแล้วแต่ก่อนนี่เวลาพ่อโทรศัพท์มาลำคานแต่ตอนนี้กลับโหยหากลับรู้สึกอยากจะได้ยินเสียงโทรศัพท์พ่อแต่มันไม่มีโอกาสแล้วเพราะพ่ อ, พ อ, พอตายไปแล้วความสุขมันเปลี่ยนไปเลยนะแต่ก่อนนี่เออถ้าวันไหนไม่มีโทรศัพท์จากพ่อ น, นี่สุขสบายใจ แต่นอกจากพ่อตายไปนี่มันเหงามากเลยไม่มีโทรศัพท์จากพ่ออีกแล้วแล้วก็นึกถึงว่าเนี่ยเสียดายโอกาสนะที่จะได้ไปเที่ยวกับพ่อแต่ก่อนนี้พ่อชวนลูกไปเที่ยวลูกก็บอกไม่มีเวลาแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าเราสูญเสียโอกาสนั้นไป ถ้าได้ไปเที่ยวกับพ่อเนี่ยจะได้ใกล้ชิดตอนนี้นึกเสียดายแล้วนะนึกเสียดายที่ไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวอยากจะพาไปเหลือเกินแต่มันไม่มีโอกาสแล้วโอกาสทองหลุดลอยไปแล้วเสียใจรู้สึกผิดแล้วก็ทำยังไงรู้ั้มเพื่อเพื่อบรรเทาความรู้สึกผิดนะเ้าเอาโทรเอาในเมื่อพาพ่อไปเที่ยวไม่ได้นะ ก็เอารองเท้าพ่อเนี่ยไปเที่ยวแทนพ่อแล้วกันเวลาเ็าไปไหนนี่เขาก็จะเอารองเท้าของพ่อเนี่ยใส่ไว้ในรถนะตรงเบาะหลังเนี่ยนะแล้วก็บอกพ่อไปเที่ยวด้วยกันไปต่างจังหวัดไปเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเชีงยงใหม่หรืจะเป็นภูกเก็ตบอกพ่อว่าเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะตอนพ่ออยู่นี่ไม่สนใจพาพ่อไปเที่ยวนะ แต่พอพ่อตายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็ทำได้แค่เอารองเท้าของพ่อนี่ไปเที่ยวมันเริ่มเห็นคุณค่านะของการของการที่จะมีพ่อได้ไปเที่ยวเดียกันเนี่ยก็ต่อเมื่อสูญเสียไปแล้วพ่อไม่อยู่แล้วคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะมาเห็นคุณค่าของคนรักของคนใกล้ชิดก็ต่อเมื่อเขาจากไป เห็นคุณค่าของเสียงโทรศัพท์นะของเขาก็ต่อเมื่อเขาจากไปแล้วเห็นคุณค่าของการที่ได้ไปเที่ยวเขาด้วยกันก็ต่อเมื่อเขาไม่อยู่แล้วนะแต่ทำไมเราต้องมามาเห็นคุณค่าหรือมีความสุขนะเมื่อเขาไม่อยู่แล้วทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของเขาขณะที่เขายังอยู่ นะไม่ทำไมเราไม่คิดว่าจะมีความสุขเมื่อได้เสียงโทรศัพท์จากเขาในขณะที่เขายังอยู่กับเราไม่ใช่เป็นเสียงอัดเทปนะใ้การเรารึกถึงความตายเนี่ยนะมันของคนที่เราลักนี่มันมีประโยชน์เหมือนกันนะมีประโยชน์มากด้วยถ้าเรานึกว่าสักวันหนึ่งคนรักของรักหรืออวัยวะของเรานี่มันจะ ต้องสูญเสียไปหายไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกจริงๆนะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นถึงมาตอนที่คิดเนี่ยอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจแต่พอเราพบว่าคนเหล่านั้นของเหล่านั้นยังอยู่กับเราเราจะดีใจเราจะเห็นคุณค่าเราจะไม่เมินเฉยนะอันนี้เป็นประโยชน์ของการจเจริญมรรัะสตินะ และลึกถึงคนที่เรารักที่เขาต้องจากไปมันไม่ใช่เป็นการแช่งนะแต่มันเป็นการทำให้เรากลับมาได้สติได้ระ ล, ลึกว่าเราโชคดีนะที่ยังมีคนยังมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานอยู่กับเรามีคนรักอยู่กับเรานะยังมีอวัยวะ3ามสองครบยังมีลมหายใจ ยิ่งถ้าเราคิดถึงว่าเราต้องตายนะคิดถึงว่าเราต้องตายเนี่ยถึงแม้ว่าไม่อยากจะคิดนะแต่ถ้าคิดแล้วเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกเลยนะว่าไอ้การที่เรามีลมหายใจอยู่นี่มันเป็นโชคนะไอ้การที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันเป็นโชคคิดนะแค่นี้นี่ก็มีความสุขละแล้วมันทําให้เราเร่งทําความดี นะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงความตายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องได้คิดต่อไปว่าไอ้เงินทองที่สะสมมาทรัพย์สมบัติที่มีเอาไปไม่ได้สักอย่างมันมีแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะตามไปอีกอย่างนึงที่จะตามไปก็คือบาปนะนการเรื่องถึงความตายเนี่ยนอกจากจะทําให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและมีความสุขที่เราพบว่าเรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจ นะมันทาให้เราขนขวาความดีมากขึ้นด้วยมีนักดนตรีคนหนึ่งนะเป็นชาวอังกฤษเนี่ยอายุหกสิบ ก, กว่าแล้ววันนึงเนี่ยหมอก็บอกว่าเขาเป็นมะเร็งมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับอ่อนนี่มันไม่มียารักษานะล้วก็ตายเร็วมากเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันมักจะลุกลามไปมากแล้ว แทนที่เขาจะทุกข์นะพอเขาจะโงพยาบาลนี่เขารู้สึกเลยโอ้โโลกทั้งโลกนี่มันสว่างสวยเลยนะรู้สึกว่าชีตนี่มันกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ลมสายลมเอ้ยต้นไม้เอ้ยนะดอกไม้เนี่ยมันสวยงามแต่กว่าไม่เห็นมันสวยขนาดนั้นเลยนะเวลาเห็นลมพัดเวลามีลมมาพัด ส, สัมผัสกายรู้สึกมันมีความสุขมากรู้สึกมีชีวิตชีวา ถึงกับบอกว่าทาไมความรู้สึกแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นมาก่อนแปลกนัคนที่รู้ว่าตัวจะต้องตายในอีกไม่กี่เดือนเขาเกับรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมารู้สึกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันสวยงามสิ่งธรรมดาสา ม, มัญ น, นะเช่นดอกไม้สายลมนะผีเสื้อนะมันกลายเป็นของสวยของงามขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่า ต่อไปจะไม่ได้เห็นล้เพียงแค่คิดว่าต่อไปจะไม่ได้เห็นนะมันทำให้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่มันมีคุณค่าขึ้นมาแล้วมันทำให้เราสื่อว่าวันแต่ละวันนี่มีความหมายที่เราต้องเล่งทำความดีนะเล่งสร้างสมความดีเอาไว้ในความดีมันจะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะแต่ที่จริงเราไม่ต้องรอนะว่าให้ใกล้ ใก้ตายซะก่อนค่อยมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและเห็นความจําเป็นของการสร้างสร้างสมบุญกุศลนะไอตอนที่เรายังปกติดียังหนุ่มยังสาวไม่ป่วยไม่ไข้นี่แหละนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ตระหนักนะว่าเรื่องการทําความดีสร้างบุญกุศลนี่เป็นเรื่องสําคัญกว่าเนะอาคนเราเนี่ยนะ ความสุขที่เรานึกถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นความสุขแบบโลกๆนะเช่นการมีทรัพย์สมบัติการมีอายุยืนนะการมีสุขภาพดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นนะก็คือบุญกุศลคือความดีนะความความดีที่เกิดความดีที่ทำให้เกิดความสุขนะ เรียกง่ายๆว่าธรรมะเนี่ยนะบางทีพระเจ้าก็เรียกเป็นอริยรัพนะอริยรัพเนี่ยสำคัญกว่าไอ้สัพ ท, ที่เราเห็นที่จับต้องได้คนฉลาดเนี่ยจะเห็นคุณจะให้ความสำคัญกับอริยรัพหรือว่าธรรมะมากกว่ารู้ว่ามันเป็นของที่ประเสริฐให้ความสุขที่แท้มากกว่า เงินทองทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งการมีสุขภาพดีด้วยซ้ำนะมีสุขภาพดีแต่ว่าใ จ, ใจิตใจนะเข้าไม่ถึงธรรมะนี่มันก็ท ร, รมานนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอายุเก้าสิบเจ็ดแล้วอายุยืนนะตั้งทั้นที่กินเหล้าสูบบุหรี่นะเรียกว่าเหล้าบุหรี่การพนันนี่ครบหมดเลยรวมทั้งผู้หญิงด้วย ขนากินเหล้าหนักนะสูบบุหรี่ก็เยอะนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะมีอายุอยู่หนึ่งอายุเก้าสิบเจ็ดตาก็มองเห็นหูก็ดีอันนี้เรียกว่าโชคดีมากเลยนะแต่ว่าแกไม่มีความสุขนะทั้งที่มีเงินทองมากมายอยู่บ้านไม่ได้นะขนาดไม่ค่อยมีเรื่อไม่มีแรงแนละ้วทุกวันนี้ต้องอบอกให้ลูก บอกให้เมียที่แรกบอกให้เมียก่อนเมียก็เป็นเมียสาวนะแต่ก่อนก็แต่งงานตอนที่ตัวเองหกสิบตัวเองอายุหกสิบนี่เมียอายุยี่ิบห่างกันสีสิบปีแต่พอตัวเองอายุเกสิบเจ็ดนี่เมียเขาประมาณสักห้าสิบเจ็ดปีวันวันหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะอยู่บ้านได้จะต้องขอให้เมียเนี่ยขับรถไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปเที่ยวไหนก็ได้ขอให้เที่ยว แล้วต้องพาไปกินอาหารที่อร่อยมีเงินเยอะตอนหลังเนี่ยเมียทนไม่ไหวนะเพราะว่าจกคอยรบเร้าให้คนให้เมียพาไปเที่ยวตลอดเวลาเมียก็หนีไปหลานก็มาทำหน้าที่แทนหลานนี่ก็เป็นทุกข์มากเลยนะเพราะว่า อยู่บ้านไม่ติดนะตัวปู่เนี่ยต้องให้พาไปเที่ยวทั้งวันนะแล้วก็ทุกวันด้วยวันไหนไม่เที่ยวนี่แกก็จะโวยวายอาวาดตะโกนบางทีก็ทุบประตูเห็นแล้วก็น่าสงสารนะน่าสงสารทุกฝ่ายเลยน่าสงสารปู่คนนี้ด้วยนะแกก็มีโชคนะสุขภาพก็ดีนะอายุก็บอายุยืน ต้องเรียกว่าได้ทำบุญทำกุศลมาไม่ใช่ชาตินี่คง ต, ต้องชาติก่อนที่แล้วชาติที่แล้วเพราะชาตินี้แกไม่ทำบุญทำกุศลเลยมีเงินก็ไม่เคยทำบุญวัดวาก็ไม่สนใจนะเรียกว่ามีมีมนุษยสมบัตินะมนุษยสมบัติคือว่าการมีลาบการมีทรัพย์การมีสุขภาพดีนะมีคนดูแลใจใสแต่ว่าใจเนี่ยนะ ไม่สามารถจะอสัมผัสรับรู้ถึงความสุขนะจากอริยสัพ์ได้แล้วก็ทรมานมากนะอยู่กับบ้านไม่ได้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องหาทางหนีนะไปเที่ยวตลอดเวลาอันนี้เรียกว่านาสงสารนะมีมนุษยสมบัติแล้วแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่า ขาดธรรมะไปถ้ามีธรรมะเนี่ยนะมันก็จะอยู่คนเดียวได้นะอยู่บ้านก็มีความสุขนะเพราะว่าได้ฟังธรรมะได้ทําความสงบโดยการตามลมหายใจนะหรือว่ารู้จักประมารู้จักพอดีหรือไม่เชนั้นเนี่ยก็ใช้ร่างกายที่ดีเนี่ยไปทําบุญทํากุศลให้เกิดความปิติความอิ่มเอิบใจ แต่ว่าเพราะว่าจิตใจตัวเนี้ยไม่เคยรู้จักนะความสุขจากอริยทรัพย์เลยมันก็เลยอยู่อย่างทรมานไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรมากนะแต่ไม่มีความสุขนะกระสรับกระส่ายทุรนทุรายทั้งวันนะอยากจะเที่ยวนะีอยากจะกินแม้แต่เรื่องผู้หญิงนี่ก็ยังไม่เลิก น, นะอายุแคสิบเจ็ดแล้วก็ยังมีความต้องการอยู่นะอันนี้นางสงสารนะ คนบางคนนี่แม้เขาจะมีโชคมีลาบนะมีสุขภาพดีแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่าไม่สนใจนะอริยทรัพย์ไม่สนใจธรรมะแล้คนที่มีธรรมะเนี่ยนะในทางตรงข้ามนะถึงแม้เจ็บแม่ป่วยเนี่ยเขาก็มีความสุขได้นะเขาก็พอใจนะกับชีวิตที่มีอยู่อาศัยธรรมะนี่แหละช่วย รักษาใจให้เป็นสุขได้แม้ว่าร่างกายนี้มันจะย่าแย่ถ้าคนเรานี่ถ้าเราไม่ค่อยไม่ได้นึกถึงความตายไว้บ้างนะมันไม่ค่อยเห็นคุณค่านะของการมีอริยทรัพยนะ์ไม่ได้เห็นว่าเออสักวันนึงเนี่ยเมื่อเราต้องแก่ต้องเจ็บเนี่ยนะเราจะอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขได้แลนะมาถึงเวลาตายเนี่ยเราจะตายได้งไงด้วยใจที่สงบนะ มันก็มีแต่ธรรมะที่จะช่วยได้นะไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะไม่ใช่การมีสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ว่าไม่มีความสุขมีเงินมากมายแต่ก็หาความสุขไม่เจอนะคนที่ฉลาดคนที่ปัญญานี่เขาก็จะเห็นว่าอาริยทรัพย์นี่สำคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองนะในสายพุทธการเนี่ยนะมี อุบาสิกาท่านหนึ่งนะวันหนึ่งได้ข่าวว่ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแสดงธรรมพระท่านนั้นคือพระสนาซึ่งเป็นพระอรหันต์มาเยี่ยมบ้านนะอุบาสิกาท่านนี้ก็สนใจนะไปฟังธรรมท่านแสดงธรรมตอนกลางคืนก็ไปฟังธรรมคนก็ไปฟังกันเยอะเลยก็บังเอิญมีโจรกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะเขา พอรู้เนี่ยก็ฉวยโอกาสเลยนะไปป้นเข้าของนะไปขึ้นบ้านของเศรษฐีคนนี้ให้ลูกน้องนี่ไปขนเอาทรัพย์สมบัติออกมาให้หมดส่วนหัวหน้าเนี่นะคอยซุ่มอยู่ตรงศาลาคอยดูว่าเจ้าทรัพย์เนี่ยเจ้าของบ้านนี่เขาจะกลับมาบ้านไหมถ้าเขาับมาบ้านก็ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาขัดขวางการป้น ก็หลองที่โจนเนี่ยคนบ้านอยู่เนี่ยอ่าคนยกข้าวยกของอย่เนี่ยก็มีคนมาบอกนะอุบาสิกาเศรษฐินีท่านเนี่ยว่าเนี่ยโจนมาป้นบ้านแล้วฉันที่จะตกใจฉันที่จะเสียดายเนี่ยก็บอกว่าอย่าให้ก็บอกว่าเนี่ยโจนจะป้นก็ป้นไปมันเจ้า ก, ก็เอาไปฉันจะฟังทำอ่าเขาก็เตือนอีกแล้วว่าเนี่ย รีบกลับไปบ้านเร็วนะโจรมันกำลังจะเอาทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วเสร็ทีนี้นึกก็บอกว่าอย่ามารบ ก, กวนฉันนะใครจะเอาก็เอาไปฉันจะฟังทำพูดอย่างนี้ถึงสามครั้งนะให้โจรที่มันซุ่มอยู่นะ่ยหัวหน้าโจรเนี่ยพอได้ยินเนี่กเกิดความสงสัยขึ้นมาเลยว่าธรรมะนี่มันสาคัญยังไงนะะขนาดรู้ว่าโจรจะป้นบ้าปเลยก็ยไม่สนใจเลยเห็นว่าธรรมะสาคัญกว่า ทรัพสมบัติก็เกิดความสนใจธรรมะขึ้นมานะแล้วก็เรื่มใส่ศรัทธานะในเศรษฐีนีคนนี้สุดท้ายก็กลับไปบอกลูกน้องว่าไม่ต้องปนแล้วเอาของคืนนะเพราะว่าอคล้ายๆแพ้น้าใจนะของเศรษฐีนีคนนี้แล้วก็คิดว่าเนี่ยเศรษฐีนีคนนี้แกมีของดีนะของดีที่มีค่ามากกว่า ทรัพ ส, สมบัตินะไอของดีที่ว่านี่คืออะไรก็คือธรรมะคือศรัทธาในพระธรรมนะตอนหลังหัวหน้าโจร น, นะก็เกิดสมาทานในพระรัตนตรัยนะแล้วก็บวชพร้อมกับลูกน้องนะอันนี้ก็น่าคิดนะถ้าเกิดว่าเศรษฐีนี่คนเนี่ยแกห่วงทรัพนะมีคนมาบอกว่ามีโจรกำลงังจะป้นบ้านเอาทรัพสมบัติไปถ้าแกหวงทรัพนะ แกคงตายไปแล้วเพราะว่าหัวหน้าโจนเนี่ยคอยนะคอยเตรียมเก็บคอยกำจัดนะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านกลับบ้านมาื่อไรก็ฆ่าเลยแม่ขัดขวางการปล้นทรัพย์ของตัวแต่ว่าคาดผิดนะเจ้าของบ้านไม่สนใจทรัพย์เพราะเห็นว่าอริยทรัพย์มีความสำคัญกว่าเมพวกเราชาวพุทนนี่เราต้องนะต้องเห็นความสำคัญนะว่าอริยทรัพย์นี่มันประเสริฐกว่าทรัพย์ธรรมดา มีเรื่องเล่านะว่าเกี่ยวกับหลวงปู่ดู่นะหลวงปู่ดูพม่าปัญโยวาสกาเนี่ย <c oughs> มีคราวหนึ่งก็มีพระนะพระมาบวชได้ชั่วคราวนะคงไม่ได้บวชนานนะก็พอบวชได้ข้อกำหนดแล้วก็จะสึกก่อนจะสึกก็มากราบหลวงปูด่ดูแล้วก็ขอพรจะได้เป็นสิริมงคล ให้หลวงปู่ดูเนี่ยพรมน้ำมนต์ให้ด้วยหลวงปู่ท่านก็ทําให้นะพรมน้ำมนต์ลองที่พรมน้ำมนต์เนี่ยพ้ารูปนั้นเนี่ยก็อธิษฐานว่าขอให้ร่ารวยมหาศาลขอให้ลาบผลทวีนะมีเงินใช้มีกินมีใช้ไม่หมดนะจะได้แบ่งมาทําบุญบ้างหลวงปู่ดูเนี่ยพรมน้มํามนต์ไปนะพอพรใสร็จท่านก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้ที่ท่านคิด น, นะนะมันต่ําเกินไปนะ ไม่รู้ท่านรู้ได้ยังไงนะเพราะที่ท่านที่ท่านคิดน่ะมันต่ำแต่แม่ไม่คิดให้สูงเข้าไว้ล่ะนะแล้วที่ท่านคิดเนี่ยมันจะตามมาเองพานั่นตกใจเลยนะหลวงปู่รู้ได้ยังไงว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะดิที่ท่านเตือนนี่ดีนะะหวังราบนะหวังราบหวังผลให้มันทวีร่ํารวยมหาศาลนี่ยถือว่าเป็นการคิดต่ํำนะ จรียว่าไฟต่ําก็ได้นะเพราะว่ามันมีสูงกว่านั้นนะมันมีสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นก็คือธรรมะคือนิพพานนะคือความสุขนะที่เกิดจากคุณธรรมความดีอันนี้อย่างอันนี้สูงนะสูงกว่านั้นสูงสุดก็คือนิพพานน ะ, ะถ้าจะคิดนะถ้าจะคิดถ้าอยากจะได้ก็นึกถึงนิพพานไปเลยนะไม่ใช่มานึกเรื่องอยากจะรวยขอให้มี าลาบมีโชคนะถ้เวลาทําบุญพวกเราเหมือนกันนะเวลาทําบุญเนี่ยนะก็อย่าคิดแต่ว่าเรื่องว่าขอให้รวยนะขอให้มั่งมีอันนี้ระหว่างคิดต่ำนะมันมีที่สูงก่า น, นั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีฉลาดนะเวลาเขาจะทำบุญก็ก็อธิษฐานสั้นๆ น, นะนิพานปะปิโยหตุไว้เป็นปัจจัยไปสู่นิพานเลยให้เรื่องได้โชคได้ลาบนะมีลาบมีผลนี่มันเล็กน้อยไป เพราะว่ามีเท่าไหร่นะมันก็ไม่ทำให้มีความสุขได้หรือแม้แต่มีสุขภาพดีก็ไม่ทำให้มีความสุขได้อายุยืนเป็นร้อยนะแต่ว่าอาจจะอยู่กับทุรนทุรายก็ได้เท่านั้นที่ไม่ได้จะไม่ได้ป่วยนะอย่างคุณปู่คนที่ว่าเนี่ยนะัถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันอยู่ที่ไหนก็หาความสุขได้ยากนะแนะทรัพสมบัติจะเพียบพร้อมก็ตาม